พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20มกราคม2559มีชื่อเรื่องว่าเลือกผู้นำไม่ดีมีแต่เสียกับเสีย มือว่านคนมันถี่เจ็บสิป่วยมัดมัวด้อยากได้ลูกหลานเนละมือว่านหลงพอนางหลดกรอบหน่อยหลอบวัดนางจับตถิงเทิงัออกไปจับเล้าเถิงเทิงอย่ามาตกคนไปเพราะแรงมากน่ะไหวห่องไหวนั่นน่ะห่องไหวน้อยนั่นน่ ะ, น ะ, นะม้าฝาดกอเส้นมือทอ โอ้ยมมันสีเจ็บน่ยมันบ่อยากตัวนี้วะเออก็เอื่นออ้ยังพวงไว้เครือ่อนไว้ที่มันเป็นน้ำหนามนะมันก็บอเห็นมันแล้วมันบอหลังจับตัวก็ปรับเสีมือเลยลรอนะไปโอ้ยเกือบตกรถวันนไปก็มันจะรุดได้โอ้คนเนี่ยมาหาสิเจ็บน่ยมันบ่อยากเน้่ยเพาะหมอเดาเขาหมอดูเขาบอกว่า คุณนไอ้ทตายเพราะเขาได้ว่อนสันเอ้ยเขามป็นที่มียมอย่างก่อนสันง้อไข่ยึดตะลางกรบโบมีอ่างสันบ่มปบ่มีดอกสันบาดทาแล้วมือดีขึ้นดีไหมเขาไข่ตีมาข่อยไว้ทั้งเอตีประดับไว้ในต้นเสาน่ยไปลนปกลงมาซับเอาไปมาเลยเป็นบาดทะยักตายสำบนบกไป <laughs> เมื่อวานเมื่อว น, วนพวกคู่บาวัดเท่าไปโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นไปนั่นไปฉีดยาเพราะว่าเขาก็มีผ่าลิตสิดดวงก็มีสององค์เพิ่งกลับมาเมือ่อมาเมื่อวานไปนอนสองคืนแต่ทราบข่าวว่าศรีนครินหลวงพ่อไปสร้างไว้เนี่ย ครูบาอาจารย์มาเยอะเด่นนี้ตั้งสีห้าองค์หลวงพ่อหลวงปู่วิไลหลวงปู่พันหลวงปู่บุญนาหลวงปู่อะไรอิาะมหาเถระทั้งนั้นไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินชั้นสิบตึกสมเด็จญา ที่หลวงพ่อไปออกทุนสร้างเอาไว้แต่นี้พระสงฆ์ก็เข้าไปรักษาดูแลรักษามากตึกที่ว่าหลวงพ่อคูณท่านให้เป็นสมทบมูลนิธินะนะเดี๋ยวให้หลวงพ่อเองเป็นประธานมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นผูริทัตโตโรงพยาบาลศรีนครินทีว่าเมื่อ สบเกือบสิบปีเจ็ดแปดปีมนะาพิจารณาย้อนหลังโอ้หลวงพ่อนะี่คิดถูกว่าวะเออแต่ว่ากล้าทุ่มเทเป็นหัวหน้าทั้งที่เราอยู่ปลายแถวยังเป็นพระยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าใจสู้เออได้สร้างตึกหลังนี้ขึ้นม า, ากับพวกคณะแพทย กับครูบาอาจารย์แพทย์หมดไปถึงเกือบ15ล้านสมัยนั้นนะเกือบสิบห้ล้านเดี๋ยวนี้กับครูบาอาจารย์พระสงฆ์สัมมาณีก็เข้าไปรับการรักษาไม่รู้ ก, กี่ร้อยองค์แต่ครูบาอาจารย์ก็ดีนะก็ล้วนแล้วเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาอาจารย์หมอพิธโทนอาจารย์หมอบนเทียนอาจารย์ หมอวัฒนามีหลายๆอาจารย์หมออาจารย์หมอสุชาติอาจารย์หมอที่เป็นลูกหลานของออพ่อตาก็ไปบวชอยู่ที่วัดหลวงพ่อจย์เรียนร่วนแล้วจะเป็นคนของวัดช่วยกันดูแลพระสงฆ์เป็นบอ่อบุญบอ่อคุศสนขึ้นมาอีกบอ่อหนึ่งะ พี่น้องประชาชนถ้ารู้จักเอาบุญกุศลไปถวายพัะตาหารบั้งร่วมสมรบดูแลครูบาอาจารย์บั้งล้วนแล้วจะเป็นบุญกุศลมากมายเลยจุดนั้นแต่ถามถามพระโดยแล้วอาหารการบริโภคก็ครูบาอาจารย์แพทย์ก็ให้ความสนใจกับพี่น้องประชาชนก็ให้ด้วยความดูแลอาหารเพียงพอครับหลวงพ่อ เออหลวงพ่อได้ยินแล้วก็พอใจเออพราะเหตุไรก็เพราะวาน เ, ออเป็นที่ดูแล ร, รักษาพระสงฆ์อาพาธโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพระมหาเถระผู้ใหญ่ถ้าจะไปรักษาอยู่กรุงเทพก็ไม่รู้จะไปยังไงศรัทธาญาติโยมญาติโยมก็ไม่รู้จกักการภาษภาษาก็ไม่รู้จะพูดกับใคร ทีมาศีนักครินอย่างน้อยก่อนศรัทธาญาติโยมก็ไปเยี่ยมได้ง่ายหลวงพ่อเออที่หลวงพ่อคิดออลงทุนสร้างหอสงอาพาทีท่ศีนักครินโ อ, อ, อ้เป็นความคิดที่ถูกต้องออแต่ก็ได้ช่วยโรงพยาบาลทางอุดร อ, อีกออแต่การทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อก็สรุปลงมาเลยทุกครั้งโดยบุญกุศลที่ได้ ดูแลพระสงฆ์อำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ดูแลพระสงฆ์สัมมเนตรศรัทธาญาติโยมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์สรุปแล้วก็คืออย่าให้ผู้ค่าได้เข้านอนโรงพยาบาลโดยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ใช่ว่าจะถางทางให้ตัวเองเข้าไปนอนโรงพยาบาลง่ายๆรู้จักกับแพทย์กับหมอไม่ใช่นะจะทาญาติโยมลูกหลานนะโดยอนิสง ผลบุญถึงขาวแล้วใคไปไง่ายๆจบๆไปชีวิตทั้งชีวิตเกิดมาแล้วก็ตายเลยพวกเราจะไปอีหลังพันทางอะไรมากมายนักหนาก่อนที่ยังมีเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทำความดีให้มากที่สดุดวันนี้เป็นวันที่ย0สบมกราคมพุทธศักราช2559ห วันนี้รู้สึกอากาศมืดเึ้มนะคณะสัทยาญาณโยมดูดูเหมือนจะมีอากาศฝนเข้ามาอีกละคงจะเป็นฝนเดือนสามสลามังแต่ทั้งบ้านเมืองก็เหมือนกันคณะสงเดี๋ยวนี้ก็มาลมมาตุ่มแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรมากมายเพราะเราอยู่ในป่าดงพงไพแต่มีแจ่สัตยาญาณโยมมาพูดมากล่าว มาวัดแล้วก็มาเล่าเล่าให้ฟังที่เขาได้ดูข่าววิทยุโท ร, รทัศน์หนังสือพิมพ์อะไรหลวงพ่อก็ฟังฟังแนวความคิดเห็นแต่ตามไม่จริงฝ่ายสงให้เป็นฝ่ายสงใ์ะแต่ตามไม่จริงการเลือกคณะสงฆ์ในหลวงตามหาปัวท่านก็เคยพูดนะสมัยหลวงพ่อไปตั้งสมภารวัด วัดหนึ่งที่เป็นสิทธญาติสิทธิ์ขององค์หลวงตาพอมาเสร็จตังเสร็จแล้วเพาหลวงพ่อก็เข้าไปกราบองค์หลวงตาตามประเพณีที่หลวงพ่อเคยไปบ่อยท่านก็ถามไปไงสมผ่านใครเป็นสมผ่านตั้งแล้วอย่างตั้งแล้วครับคนนั้นคนนี้ดูนะทำไมตั้งเร็วเกินไปนะต้องดูนะดูเป็นท่าไหมล่ะ ไอ้สมพานเนี่ยนะขีตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวนะมันไม่กว้างขวางนะมันคับแคบไม่ดูแลหมูพวกเพื่อนนะเป็นหัวหน้าไม่ได้หรอกสมพานขีตนีทีเหนียวต้องดูนะผู้ที่จะเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องดูให้ดีถึงจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเป็นเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าเลไไม่ได้นะเราไม่ได้เห็นว่า หัวหน้าที่มีอายุพรรษามากกว่าแล้วก็ควรจะควรจะได้ไปใช่อย่างนั้นนะถ้าหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าโงา่หัวหน้าเห็นแกตัวหัวหน้าคีตนีทีเหนียวก็ไม่ควรจะให้เป็นหัวหน้าต้องเอาองค์ออินดูดูแล้วเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางอันในหลวงตาพูดในหลวง พ, องพอ่อหลวงพ่อยังอ่อเป็นแนวความคิดขึ้นมา ในหลวงพ่อเหมือนกันนี่แหละในหลักในหลักพระวินัยได้จ น, นี่ในหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าเราได้ศึกษาดูมันก็เข้าข่ายลักษณะอย่างงั้นแหละเข้าข่ายยังไงก็คือพิกตูใดที่มีปีพันษามากก็ควรจะยกย่องให้เป็นพระอุปชาเป็นอาจารย์กองให้ความเคารพ ต่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายต้องให้ความเคารพเพราะมีอายุพรรษามากแต่ท่า น, นท่านก็พูดอีกว่าผู้มีพรรษามากแต่ไม่เฉลียวฉลาดไม่เกียรติจบไม่สามารถที่จะเป็นไม่สามารถสวดปฏิโมกต์ได้ไม่สามารถแนะนําสั่งสอนเรื่องเกี่ยวกับวินัยได้เป็นว่าเป็นเพราอายุพรรษา มากก็จริงอยู่แต่ไม่รอบขอบโมกพูดง่ายๆผมสรุปแล้วนะก็ไม่ควรจะให้เป็นพระอุปชาไม่ควรจะเป็นให้เป็นพระอาจารย์ให้นิสัยให้นิสัยแก่กุลบุตรเพราะว่าถ้าเป็นผู้นาต่อไปภายภาคหน้าแล้วจะทำให้กลุ่มในกลุ่มนั้น เ, เละเทะไปหมดเพราะไม่มีปัญญาที่จะสอนลูกศิษย์ลูกหา สอนพู้ที่เกี่ยวข้องได้อันนี้ก็คือท่านก็พูดในวิ น, นัยนะจะจะลุกแล้วก็คือให้ใช้ผูท้ที่มีสติมีปัญญาเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าต้องฉลาดถ้าว่าหัวหน้าที่ไม่รอบครอบก็ทำให้ที่เป็นจา่าฝูงก็ทำให้เสียหายได้ท่านก็เลยเปรียบเทียบ ว, ว่าวัว ที่เป็นจ่าฝูงวัวที่เป็นจ่าฝูงที่มันจะข้ามน้ำมันต้องหาที่น้ำที่ไม่ไม่เชี่ยวที่ไหลไม่แรงในจุดใดที่น้ำที่ไหลไม่แรงน้ำที่มันเออเออวัวที่เป็นจ่าฝูงต้องไปหาที่จุดนั้นที่จะข้ามน้ำแล้วก็เป็นน้ำที่ไม่กว้างเกินไปที่จะเออมันกว้าง วัวที่เป็นจาวูงนี่ก็ต้องดูแลหรือว่าที่จะจะข้ามได้วัวที่จะเป็นจาวูงต้องฉลาดถ้าวัวจาวูงที่โง่พออยากจะข้ามจุดไหนก็ข้ามน้าที่เซี่ยวไหลแรงก็ทำให้วัวเล็กวัวน้อยเนี่ยตายหยิบหายกว่าที่จะข้ามไปได้จะบักสะบอมตายเป็นส่วนมากพอน้ามันเี่ยว เพราะนั้นวัวที่เป็นจ้าฝูงต้องดูเวลามันจะข้ามน้ํำวัวที่เป็นตัวใหญ่ที่มีกําลังมันจะต้องไปอยู่ข้างล่างให้วัวจ่าวัวเล็กวัวน้อยขึ้นมาลอยข้างบนมันจะเป็นขนานเอาไว้เพื่อมาให้วัวเล็กวัวน้อยมันตกลงไปข้างล่างวัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวมีกําลังจะต้องดืนลอยขนาบข้างล่าง อันนี้คือวัวที่ฝูงไหนฉลาดต้องนำฝูงฝูงวัวตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางได้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกเอาไว้เจ้าฝูงเลยสำคัญนะถ้าว่าเจ้าฝูงเห็นแกตัวเจ้าฝูงเห็นแกพักแกพวกเจ้าฝูงเห็นแกไม่เห็นแกส่วนกลางส่วนรวมสักหลักพระธรรมวินัยเนี่ยจะไปจะข้ามน้ำ จะไปที่ไหนๆจะนำฝูงไปสู่ความผาสุกแต่ยากเพราะมีแต่เห็นแก่พักแก่พวกทะเลาะวิวาดกันถ้าไม่ใช่พวกตัวเองแล้วก็ห้ำหันอันนี้ก็คือท่านพูดในหลักวัรมวินัยนแต่ถึงยังไงก็ตามถ้ามาคิดถึงหัวใจของพวกเราใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจแต่ใจคนใดก็ตาม ถ้ามันโงนะ่ใจไม่ฉลาดนะคนนั้นก็ไปไปได้ยากแต่ใจคนไหนฉลาดใจมีปัญญาก็นำชีวิตทั้งชีวิตครอบครัวประเทศชาติไปสู่จุดหมายปลายทางได้ใจก็สำคัญเหมือนกันใ น, กในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านมีมากหลากหลายที่พวกเราเป็นแนวความคิดแนวตัวอยา่าง อย่างในครั้งพระพุทธเจ้าของเราในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะนะเมื่อพระพุทธเจ้ากัสสปะปฏินิพพานแล้วนะพระสงฆ์ก็ยังพวกเราเนี่ยนะเมื่อพระพุทธเจ้าคือต้นศาสราต้นศาสนาปฏินิพพานไปแล้วเนะี่ยพวกเราก็เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาะพอมาแล้วก็ต่างคนต่างมีวาทะถ้าใครมีวาทะดีพูดดี ศรัทธาญาติโยมเรื่อมใสนับถือผู้มีอานาจวาสนาเกา่าเข้ามาบวชศรัทธาญาติโยมนับถือเรื่อมใสามากพอเรื่อมใสามากตัวเองก็ลืมตัวนลยนะพอลืมตัวแล้วกันนะเออเอาตามใจตัวเองถักวินยัยวินัยขอนันใหม่จำเป็นขอนันใหม่สำคัญควรจะบิดเบือนควรย่าไม่ควรจะทําอย่างนั้นเออเท่นั้นะ พอมันกิเลสอ่ะกิเลสเข้ามาเข้ามาเป็นใหญ่เนะี่ยพอต่อมาเนี่ยก็ผู้ที่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยก็ละสำละสายเลยเอ๊ะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จะกล้าพูดก็ไม่กล้าเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาจนาเหมือนกับเราเ อ, อาไม้จิ้มฟันไปงัดขอนสูงลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ถึงยังไงขอนสูงมันเป็นขอนใหญ่ แต่ไม่จิ้มฟันมันงัดไม่ได้จากนั้นก็ทึงไงเลยตำเลยนี่ยแหละพระในครั้งพระพุทธเจ้ากัจจปะชื่อพระมาหากบินกบิลกระเบลละพิกขุกเนะี่ยบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะปรินิพานแล้วศาสนาพระพุทธเจ้ากัสจปะอายุสองหมื่นปะีเลยท่านมาเกิดมายุคสุดท้ายนะแต่พี่ชายของท่านบวชเข้ามาแนละ้วท่านไปภาวนา ไปภาวนาในป่าท่านได้สำเร็จเป็นพระรหันต์พี่ชายนะแต่น้องชายเนี่ยไม่เอาดอูในป่าผมยังน้อยหนุ่มอยู่ต้องไปหาลาภายศสก่อนท่านเคยออกบวชเข้ามาแล้วกันเเรียนประยัติธรรมกล่าวแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนคนทั้งหลายก็ น, นับถือเลื่อมใสมากพี่แม่ก็ เข้ามาหาน้องชายคนนี้พอมีอติเลกอติเล็ก ล, ลาบมากน้องสาวก็เข้ามาบวชเป็นพิกโทนีและเป็นบวชเป็นอะไรอยู่ในอยู่ในตำนักของน้องชายพาน้องชายกับปิละเนี่ยแต่พี่ชายอยู่ในป่าภาวนาในป่าได้สําเร็จเป็นพระหรันตอนนี้พอน้องชายมีบุญหนักสักใหญ่ขึ้นมาคนนับถือเลื่อมใสโอ้มาก แนะนำสั่งสอนไปกับผิดที่ผิดทางเลยเพราะลืมตัวเลยนี่แหละความลืมตัวจุดนี่แหละถือว่าปลัก พ, พระธรรมวินยัยตัวเองรู้หมดแล้วเอ้ยปฏิโมกไม่สำคัญเาไม่ต้องสวดสวดทำไมไม่ทบทวนไม่ลงอุโบสถจะบวชกระบวดเอาไลง่ายๆอย่งางไงที่มันง่ายคือเอาทำตามตามใจตัวมันไม่ดูไม่ดูลักพระธรรมวินยัย แต่ผลที่สุดพราสงฆ์ทั้งหลายก็ไม่ไรู้จะพูดยังไงเตือนไม่ได้เหมือนเอาไม้จิม้มฟันงัดข อ, ขอนชุงอย่างนั้นแหละก็ไปหาพี่ชายไปหาพี่ชายใไปเห็นพี่ชายนะจะต้องมาเตือนน้องชายได้แต่เนี้เขาก็ไปบอกนิมนต์พี่ชายมาพี่ชายก็มาเตือนเตือนเอ้ยกับปิละน้องทําให้ถูกนะต้องเราบวชมาในศาสนาพธธุทธ เราต้องปฏิบัติตามแนวแถวปฏิปทานแล้วแนวแถมหลักพระธรรมวินัยของพุทธพระพุทธเจ้าวางไว้ยังไงเ อ, อเราจะต้องทําปฏิบัติตามนะน้องนะเ อ, อปฏิบัติอย่างนี้มันผิดที่ผิดทางนะมันไม่ถูกนะถ้าทําอย่างนี้มัน ถ, ถูกได้ยังไงมันไม่ถูกทําให้พุทธาศาสนาเสื่อมเสียเสียหายล่มจมหมดเร็วๆนะถ้าเธอทําอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ ทั้งที่น้องชายจะฟังเหตุผลของพี่ชายเฮ้ยพี่ชายหลับปู๊หลับตาอยู่ในป่าจะไปรู้อะไรผมเห็นไหมศรัทธาญาติโยมคู่คนนับถือเริ่มใสขนาดไหนพี่ชายจะมีอะไรอยู่ในป่าไม่ต้องมาบอกมาสอนผมหรอกผมรู้ทั้งหมดแล้วล่ะพี่ชายก็ไม่รู้จะพูดยังไงเออเอาแต่ยึงงั้นก่อ น, น, นการเวลาจะรู้ท่านเองนะ <laughs> จะเป็นอย่างทุกวันในหลวงปู่จามกคงจะบอกว่านรกยังไม่เต็มหรอกถ้าท่านถ้าท่านถ้าท่านทํากรรมชั่วนรกยังไม่เต็มถ้าท่านทําดีนะสวรรค์ก็ยังไม่เต็มนิพพานก็ยังไม่เต็มยังพ่องอยู่ออแต่นั้นท่านขันคงไม่ได้พูดอย่างนั้นทํานมัน่งแต่เอ า, าการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านเองถ้าท่านไม่ฟังเราไปแล้วนะท่านก็ไม่เล่นหลักธรรมคำสอนของพุทธานเมตตา กรุณามูธิตาพระเถระที่เป็นพี่ชายอุปเปกขาช่ไวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเอาเถอะนรกยังไม่เต็มอย่างที่ว่าจากนั้นน้องชายเนี่ยก็โอ้ประกาศพระศาสนาทางแม่เนี่ยก็เข้ากับน้องชายพราอยู่ดีกินดีได้ลาบประโยชน์คนทั้งหลายยกย่องเชิดชูนะ แต่ทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อท่านตายไปเราไปลงสู่อเวจีมหานารกเพราะบิดเบือนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากัสจปะาหน้องสาวก็ตกด้วยกันลงอเวจีแม่ก็ตกลงกันแต่พี่ชายเนี่ยเข้าสู่นิพพานเออเข้าสู่นิพพานปรินิพพานเพราะพี่ชายภาวนาเป็นพระหรัน พอจากนั้นมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยพวกผ่านแหทั้งหลายพวกชาวประมงชาวประมงอยู่ใกล้แม่น้ำเอเจรกว่ดดีเ่ลงทอดแห่ไกลเข้ า, าเป็นตระกูลห้าร้อคนกันนะคนมันมากพ่อแม่เคยเตกแห่ให้ลูกดู แต่นี้ก็หัวหน้ากลุ่มเนขึ้นมาใหม่อีกหัวหน้าหัวหน้าอที่ตกแหเนี่ยหาปลาเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าเหมือนกันนะอหัวหน้าชั่วหัวหน้าดีมันมีทั้งหมดอ่ะแต่ในหัวหน้าตกแห่เขาก็เลยยกให้ลูกลูกของหัวหน้าลูกของลูกชายของหัวหน้าให้เป็นหัวหน้าจ่าฝูงอีกต่อไปเขาพอยกให้แล้วเขาก็อ้าวประเดิม ประเดิมทดลองดูเหมือนกับทา เ, เหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทนะําห่ะตกแหนเลยพ่อตกปายไปได้ปลานะปลาทองขึ้นมาตัวบักใหญ่เลยปลาทองนะสีตัวเป็นทองหมดเลยพอยกขึ้นมาเด้โอ้ปลาไม่เคยเห็นชื่อมันว่ายัางไงยังไม่เคยเห็นเลยทั้งพ่อทั้งเขาก็ดีอกดีใจด้วยโอ้โหลูกเรา พวกลูกๆของเราลงทอดแห้ครั้งแรกได้ปลาขึ้นมาแปลกปลาใหญ่ปลาทองสีทองอีกต่างหากเราควรจะเอานำไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่กุศลเพื่อจะได้รับรางวัลว่านีเป็นปลาอะไรจากนั้นเขาใส่เลือเข้าไปเอาน้ำใสเพื่อไม่ให้มันตายเขาใส่ในเรือไป ไปกับถวายพระเจ้าปันเศษพระเจ้าพระเศษทอดพระเนตเฮ้ยปลานี่ไม่เคยเห็นว่ะทำไมสีทองสวยเหลือเกินเกินนปลาตัวนี้นะเราควรจะนําไปกราบทูพระพุทธเจ้าดูปลาตัวเป็นปลาอะไรพระเจ้าปันเศษก็เลยนาปลาต้นนั้นกับพวกชาวประมงนั้นไปกราบพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพอไปถึงพระพุองค์บอกว่า เออมหาบวเพิษปลาตัวนี้เนะ่ยเคยเป็นภิกษุมาก่อนนะชื่อกับปิละพิกลในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตถปปะบวชเข้ามาแล้วได้สาธยา ย, ยได้แนะนําได้บอกกล่าวพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าตัวของเขากอเลยเป็นสีทองเพราะว่าเขาให้คน ให้คนนับถือกลักทรรคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พร้อมกันเขาก็ บ, บิดเบือนหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เสื่อมเสียไปได้ไง่ายๆให้เขาบอตัวไหนอย่างพระวินัยอย่างเนี้ยก็ไม่ให้พระลงอุโบสถอย่างเนี้ยบิดเบือนหลักพระธรรมวิ น, นัยเพราะนั้นบาปกรรมก็มีนะมีทั้งบุญมีทั้งบาปเพราะเขาสร้างทั้งบุญทั้งบาปการโฆษณาให้คนนับถือ พระพ ang, Indians, no aan, ุทธศาสนาก็เป็นบุญส่วนหนึ่งแต่การบิดเบือนทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนเป็นบาปอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะถามให้ดูนะเราจะถามเป็นภาษาไให้ดูกับเิละเธอทำไมอยู่ที่ไหนเธอเธอจึงมาที่นี่ป่าตอนนั้นอ้าปากขึ้นมาตอบ ข้าพระพุทธองค์มาจากเอเวจีมหานรกพระเจ้าข่าเนปากเหม็นคุ้งเลยพระองค์บอกว่าเนี่ยเพราะปากเขาเหม็นเพราะว่าเขากล่าวคําบิดเบือนหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปากเขาจึงเหม็นเวลาเขาอาปากมาจนใครก็ปิดจมูกไม่ทันเหมือนกันนะแต่ทีนี้ก็ถามไปว่าเธอทํากรรมอันไหนเธอจึงตกนรก เอาเปี่ป่าทอนนั้นเขบอกว่าข้าพระองค์เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจปะข้าพระเจ้าได้ทํำได้แนะนําสั่งสอนพี่น้องไปชดใช้ชนแต่ข้าพระข้าพระองค์ไม่เคารพในศิกขาบทวินัยนเป็นทำตนให้เป็นพระที่เลวเป็นอลัตชีทําให้ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะมัวหมอง ทําให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดในหลักพระธรรมวินยัยไม่ลงอุโบสถสังฆกรรมข้าพระองค์จึงเป็นบาปแต่อติเลขาลาบของข้าพระองค์มากมายข้าพเจ้าได้สวยอความสุขในข่าวนั้นแต่ข้าพเจ้าไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงในข้าพระองค์จึงได้ตายจากชาตินั้นได้ตกนรกจกอเวจีมหานรกละแม่ละ่ะ แม่ก็ลงด้วยกันครับลงอเวจีเหมือนกันน้องสาวล่ะน้องสาวก็หลงด้วยกันครับอยู่ที่อเวจีเหมือนกันและพี่ชายล่ะพี่ชายเป็นพระหรหันท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วครับครับผมอ่าแล้วเธอออกจากนี้แล้วเธอจะไปไหนคงจะลงอเวจีมหานระละลกอีกครับผมกับผมมาเพียงใช้ใช้กรรมขึ้นมาเกิดแล้วจะลงไปอีกครับผมอ่พอมันว่าเท่านั้นล่ะ พอปลามันพูดเท่านั้นแหะมันก็เอาหั ว, หวฟาดแคมเหลือปังปังปังมันก็เลยใจขาดตายปลาตัวนั้นนะ ป, าปลากรพิละพิกุก็ลงลงไปสู่อเวจีมหานรกอย่างเก่านี่แหละอันนี้ก็คื อ, อในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามเรื่องศีลและวินัย เ, เถึงจะเป็นของเล็กน้อยก็ให้เคารพ ในในสินสิขาบทของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นถ้าว่าถ้าใครทำกรรมชั่วนักกรรมชั่วนรกก็ไม่เต็มอย่างที่ว่าถ้าใครทำดีสวรรค์นิพพานก็ยังไม่เต็มอย่างที่หลวงปู่จามพูดเพราะนั้นพวกเราอย่าไปเถอะนรกนะมันทุกไฟไหมไฟเผาจิตใจของเราเร่าร้อนให้พวกเราไปสู่ความสุข ไปหาสวรรค์นิพนิน์พ้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะควรจะตั้งตนให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีอยู่ในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นที่ดีไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าไปเห็นแก่โลกโหลโมกณนะไปเห็นแต่ด้านวัตถุด้านวัตถุที่ได้มากขนาดไหน เมื่อตายไปแล้วเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างิ้งทั้งหมดนอกจากคุณงามความดีนอกจากบุญกุศลเท่านั้นจะติดจิตใจของพวกเราไปสู่ภพภูมิภายภาคหน้าเพราะฉั้นให้พวกเราทุกท่านนะหัวหน้าที่สำคัญนะแต่หัวหน้าไม่ดีก็ทำให้เสียหายจาฝูงเสียหายทำให้ศาสนาเสื่อมเสียเสื่อมถอยได้ง่ายแต่ถึงยังไงผู้ที่อยู่ ใ, ใกล้กันนั่นและ ดูแลกันผู้ที่อยู่ผู้ที่จะรู้ว่าเป็นผู้มีสินหรือไม่มีสินต้องอยู่ด้วยกันนานเป็นพุทธภาษิตนะแต่หลวงพ่อจำคาบาลีไม่ได้แต่จำคำความหมายได้ว่าเราจะรู้ว่าเป็นผู้มีสินหรือไม่มีสินต้องอยู่ด้วยกันนาน แต่ครับ่ออยู่ด้วยกันนานเราจะรู้ได้ว่ากูบาาจา์พระเนนองนีเนี่ยเป็นผู้เคารพในศิลและวิ น, นัยแต่คนโบราณเมืองไทยเขาบอกว่าขนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนใครว่าขนทางเนี่ยถ้าจะม้าดีหรือม้าไม่ดีขนทางมันวิ่งไปถึงจะรูปร่างม้า ตัวใหญ่ขนาดไหนก็เถอพอวิ่งไปเมื่อยล้าเร็วๆม้าไม่มีกําลังแต่ตัวอ้วนเฉยๆม้าไม่มีกําลังอันนี้มันพิสูจน์ม้าได้ได้มันแต่ม้าบางตัวมันวิ่งจิ๋วเลยเนี่แหละมันพิสูจน์ม้าพรา ก, การขนทางพิสูจน์มันวิ่งแต่การเวลาพิสูจน์ขนคนดีและขนชั่วเนี่ยที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ย เออมันกจ็จะต้องอดไม่ได้ลนะ้จะต้องแสดงความชั่วออกมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเราก็จะหเห็นได้ว่านี่แหละคนดีแล้วขนชั่วที่ย่ที่เราอยู่ด้วยกัน น, ะนี่แหละบัดบ่กหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์กลขอให้พวกเราทุ ก, ท, กทุกท่านนะเต็นถึงยังไงจึงเรายึดในหลักธรรมวินยัยทักยึดในหลักธรรมค ำ, คำสอนของพระพุทธเจ้า ยึดในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอยู่นั่นแหละจะไม่หลังจะไม่หลงโลกหลงทางจะไม่หลงโลกหลงทางจะไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างที่วัวหัวหน้าจ่าฝูงพานําฝูงวัวข้ามฟากฝั่งแม่น้ำํำไป ถ, ถึงจุดหมายปลายทางอะไรว่าเดีหลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อเคยเล่ามา ครั้งสองครั้งและละ่ะกับปิระพิกุนะแต่มาเขานี่กันเล่าให้ฟังอีกเพื่อ ท, ทบทวนความจำของพวกเรานะอย่าละพร น, นัตินะ